ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ขอพบกับบรรดาท่านผู้บริษัตรในเรื่องของกรรมเก่าเทตามภาษาวลีท่านเรียกว่าบุพกรรมคือกรรมของกรรหาและชาลีในเรื่องนี้ปรากฏว่าบรรดาประชาชนในสมัยปัจจุบัน หาการโจมตีองค์สมเด็จพระชินสีบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เนืองๆความจริงการโจมตีพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับบรรดาผู้พูดก็เรื่องราวต่างๆมันผ่านพ้นไปนานแล้ว แต่เห็นทางมีอยู่ทางเดียวคือว่าจะประณามพระองค์สมเด็จพระอธิบแก้วบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เสื่อม 3 <c oughs> ตรัสว่าการจะทํายังไงก็ตามพระพุทธเจ้าจะเสื่อมแต 3 แล้วเสียหายไม่ได้ทางนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเข้าสู่พระปรินิพพานไปแล้ว เราจะนั่งนินทาว่าร้ายพระพุทธเจ้าเสียเพียงใดก็ตามทีไอ้ความชั่วมันก็ตกอยู่กับตัวของบุคคลผู้พูดแต่ฝ่ายเดียวทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่านินทาไปสังสรรค์คําว่านินทาและสนเสิร์นเป็นความชั่วของบุคคลที่เกิดมาผลที่เขาจะพึงได้รับในปัจจุบันนั่นก็คือความเสียหาย <c oughs> เขาเสียหายกันตรงไหนล่ะบรรดาท่านพุทธบริศัพย์ทั้งหลายจะพูดให้ฟังคือเสียหายเพราะเสียเวลาประกอบกิจการงานของเขาถ้าเขาจะเอาเวลาที่เขามันนั่งนินทาพระพุทธเจ้าไปประกอบงานให้เป็นประโยชน์เค้าก็จะมีคุณมีประโยชน์มีทุนทรัพย์ขึ้นมามากสมมุติว่าเขานั่งนินทาวันละ 1 เขนาที 50 วันมันก็ 10 นาที 10 100 วัน 100 นาทีปีนึง 365 วันสิ้นเวลาการงานไป 365 นาทีถ้าลองคิดว่าเวลา 365 นาทีนี้ถ้าเค้าจะถอนหญ้าหน้าบ้านเค้านาทีละ 1 ต้นหญ้าที่มรกตอยู่มันก็จะเตียนไป <c oughs> 365 ต้น เอเห็นมั้ยบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนท่านผู้ถูกนินทาไม่มีความเสียหายแต่ว่าบุคคลที่นินทาเท่านั้นมีแต่ความเสียหายเมื่อการนินทาไม่ได้อะไรแล้วก็เสียผลประโยชน์ของตนต่อทีนี้ไปเรามาพูดถึงว่าอุปนิสัยคือจริยาขององค์สมเด็จพระทศพลบรมไสยศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เถระอัญสงให้ทายกันหาราชาลีนี่เป็นประเพณีของบุคคลที่จะเป็นพระพุทธเจ้าทุกท่านเพราะมีกฎเกณฑ์บังคับว่าท่านที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องเสียสละใหญ่คือเสียของที่รักที่สุดของตัวนั่นก็คือบุตรธิดาและปัญญาเป็นต้น <c oughs> ว่าถึงสิ่งทั้งสองบริการนี้บรรดาประชาชนทั้งหลายมีความรักกันมากมีคนที่จะเป็นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องเป็นนักเสียสละเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าที่เกิดมาแล้วสงเคราะห์บรรดาพุทธบริษัทพระองค์ไม่มีค่าจ้างรางวัลใดๆ <c oughs> แม้แต่เทศน์ให้จะม่านมังก็ไม่มีค่าจ้างเหมือนกับพระสมัยปัจจุบันสิ่งที่จะตอบสนองตอบสนองคุณท่านนั่นก็คือความดีของบรรดาท่านพุทธบริษัทพระองค์มีความพอใจอยู่เพียงนั้นถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังมีผลตามความประสงค์ขึ้น 1 ไม่ทําความชั่วทั้งหมด ทำ จ, าก, อ, 2 ทำแต่ความดี 3 รักษาจิตใจชำระจิตใจของตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์จากกรรมที่เป็นอกุศลนี่องค์สมเด็จพระทศพลต้องการผลที่ตอบสนองเพียงเท่านี้นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทองค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิ์ที่บำเพ็ญบารมีมาทั้งเสียสงไคลกําไรแสนกัป ต้องการผลเพียงเท่านี้ไม่ใช่ค่าจ้างรางวัลใครจะจะนินทาว่าร้ายนั้นองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้คำนึงถึงเพราะพระองค์ทรงทราบอยู่แล้วว่าเขาจะนินทาแบบไหนก็ตามถ้าพระองค์ทําดีพระองค์ก็ไม่ทรงเลวไปตามคําเขาว่า แต่ถ้าหากว่าเค้าพระองค์เลวแล้วใครจะชมสักเท่าไหร่ก็ตามทีพระองค์ก็ไม่ดีตามคําชมและนี่กดแกนในการเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องสละลูกละเมียเป็นทานถ้ายังไม่สละลูกไม่สละเมียเป็นทานเพียงใดท่านผู้นั้นจะถือว่าเป็นพระพุทธเจ้ายังไม่ได้แต จะไม่มีโอกาสได้บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณและโดยปกติลูกและเมียทั้ง 2 ฝ่ายนี้ถ้าสร้างกรรมดีเข้าไว้ก็จะไม่ต้องทุกข์ทรมานอะไรดูตัวอย่างเช่นพระนางมัจฉีเมื่อองค์สมเด็จพระชินสีห์เสวยราชเป็นพระเวสสันดรหน่อพระบรมพงศ์โพธิสัตว์ เมื่อให้ลูกเป็นทานไปแล้วต่อมาองค์สมเด็จพระบธิบแก้วก็ให้นางมัสสีเป็นทานสละเมียเป็นทานไปอีกตอนสละเมียเป็นทานนี้ความจริงพระนางมัสสีไม่มีกรรมใหญ่ที่จะเข้าสนองผลก็เป็นเหตุให้ทิพอาชาติของพระอินทร์บรรณุกมพลศิลาอาตเคยอ่อนประดุจเจนหนึ่งว่าสำลีแข็งกระด้างขึ้นมา ชาวเธอมีความสงสัยว่าเหตุอะไรจะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีบุญพระสงฆ์อุปนิสัยความนึกคิดขององค์สมเด็จพระจอมไตรในสมัยที่เป็นพระเวสสันดรวันหนอพัทธินากรจะต้องสละพระนามสิให้เป็นของคนอื่นและพระนามสินี้ก็เป็นคุณคนคู่คู่บารมีขององค์สมเด็จพระชินสีมานาน <c oughs> เป็นกษัตริย์และก็เป็นคนดีถ้าให้ไปกับคนอื่นที่เป็นสิเมนิสัยหรือมีสัญชาติเป็นภาคทาสีก็ไม่เหมาะสมควรที่พระองค์เองจะต้องเสด็จไปรับซะเองเกียรตินบอินมีความกรุณาในพระนางมะ <c oughs> 4 เพราะอาศัยความดีที่สั่งสมบารมีมามาก เป็นคู่บารมีขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จึงได้แปลงเป็นคามลงมาขอพระนางมัจฉีองค์สมเด็จพระกินสีก็ทรงประทานให้ก่อนที่จะประทานให้ก็แจ้งแก่นางมัจฉีว่าอันนี้เป็นจริยาของบุคคลที่จะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องให้ลูกได้ปัญญาเป็นฐาน หอหนุ่มคราญจนอยากขัดห้องเลยจุโมทนาด้วยเมื่อพระนางมสิทรงทราบเจตนาขององค์สมเด็จพระกนิษฐาธิสีก็ไม่ว่าอะไรปรามใจทุกอย่างยอมไม่ตกอยู่ในอำนาจของพราหมณ์ณองค์สมเด็จพระพิจิตมารเวลาที่เป็นพระเวสสันดรก็นำพระนางมสิมาแล้วนั่งใกล้ท่านพราหมณ์ ที่เค้าเรียกกันว่าอินทราพรเค้าได้อินแปลงตัวเป็นพรามเมื่อเข้ามาใกล้แล้วจึงได้หลั่งน้ําที่โนทกให้ตกลงบนฝ่ามือเส้นแดงที่การให้เมื่อเป็นอย่างนี้การให้จริงๆชื่อว่าจบกันไปหมดเกมการให้เมื่อพระอินทร์ได้รับพระทานราชทานบรรนางมา 4 แล้ว จึงได้กล่าวถวายองค์สมเด็จพระประทีปแก้วว่าเวลานี้พระนางมัสสีเป็นเป็นสิทธิคุ้มค่าพระพุทธเจ้าแต่ว่าข้าพระพุทธเจ้าขอถวายคืนเข้าไว้แต่ขอพรว่าถ้าจะให้พระนางมัสสีกับใครแล้วก็ต้องขออนุญาตข้าพระพุทธเจ้าก่อนเพราะข้าพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของ <c oughs> แต่การมอบไว้นี่ก็ให้เป็นสิทธิในการใช้สอยอยู่ร่วมในฐานะสามีภรรยาก็ได้หรือว่าจะรับไว้เป็นคนใช้ก็ได้ห้ามบุคคลอื่นทั้งหลายที่จะมาขอต่อถ้าใครมาขอต่อแล้วก็ต้องขออนุญาตก่อนเมื่อพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตองค์สมเด็จพระบรมโลกก็น่าจะให้ไม่ได้ ออง theorem at the beginning in need of reflection, for this preciso vertex in human wisdom which coded that is exact. 4. ROOM! 6.夢 봐 to the Oberst of State. 7. Look at upstream tea which was anyways, but KOKDBK subsidede. 8. It's a cause it has been fragmented by Lوفila досkenING for the sake of shiftingيل from Ooh! 8. This is the way to follow Lilith Mr. sahala similar to our muslimas แต่ความจริงไปอยู่ก็ไม่เป็นประโยชน์พระพรามนั้นเป็นพระอินทร์เมื่อพระองค์ทรงพระราชทานบรรนามสรีให้เป็นชายาของพรามพรามถวายแล้วพรามจึงได้แสดงความจริงกับองค์สมเด็จพระประทีปแก้วแรงจักกล้าจากความกลับมาเป็นพระอินทร์ตามเดิมแล้วก็ประกาศให้ทรงทราบว่าข้าพเจ้าคือพระอินทร์ นามสิเป็นของข้าพเจ้าพระองค์จะให้ใครไม่ได้เด็ดขาดเมื่อองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถทรงรับรองแล้วจึงได้ขอพรกับพระอินทร์ 8 ประการพร <c oughs> 8 ประการนี้ก็คือ 1 ขอให้ได้เข้าครองพระราชฐานตามเดิม 2 ให้รับความกรุณาเมตตาจากพระราชบิดาพระราชมารดาและบรรดาประชาชนทั้งหลายเป็นต้น แณฑ์อันว่าพร 8 ประการไม่ต้องกล่าวกันเราไม่จะมาโทษอัตถพรไม่ได้เทศอัตถพรกันอัตถพรคือพร 8 ประการที่ขอจากพระอินทร์ไม่ได้เทศเรื่องนี้นี่เรามาคุยกันในเรื่องกรรมของบุปปะกะบุปผกรรมของกัณหาราชาลีที่ชาวบ้านชอบโจมตีว่าพระเวสสันดรหิงกะตัวมากไม่เห็นกับความลําบากของลูกลําเมี <c oughs> แต่ว่าคนนี้พูดนั้นถ้าไม่ทราบความจริงก็ไม่น่าจะตําหนิท่านแต่คนเราโง่ซะอย่างเดียวตําหนิก็ไม่ได้แต่คนที่จะตําหนิได้นั้นก็ต้องเป็นคนที่ไม่โง่แต่ว่าคนโง่แล้วไม่รู้ตัวโง่อวดฉลาดอย่างนี้เค้าเรียกกันว่าโง่แกมหญิงไม่ว่าชายหรือหญิงชายอะไรไม่ได้ทั้งหมด <c oughs> ไอ้องค์สมเด็จพระบรมสุขทัยไม่ได้ตำหนิเนี่ยอาตมาก็ไม่ตำหนิแต่พูดให้ฟังว่าโง่จริงๆนี่น่าสงสารทั้งโง่แกมหญิงนี่ไม่น่าสงสารเลยนี่เรามาพูดกันเรื่องพระกรรณหาราชาลีเมื่อพระราชธิดามอบหมายตนเองนี้ให้เป็นสิทธิของของใครล่ะของตาชูชก เมื่อตาชูชกได้การหาชาลีเป็นสิทธิแล้วก็แก่ผู้ใจแกร่วแทนที่จะปลอบโยนกันหาณชาลีเป็นการณอกเอาใจกลับมีความคิดขึ้นใหม่ว่าเด็กทั้งสองคนนี้เป็นลูกของกษัตริย์ถ้าเราจะเอาใจเธอทั้งสองคน คนหน้ามันก็จะทะนงตัวเมื่อไปอยู่กับเราก็จะถือว่าตนเป็นลูกกษัตริย์จะกลายเป็นนายของเราเข้าไปนี่เป็นอย่างนี้จึงตั้งอารมณ์เสียใหม่ว่าเราต้องข่มขี่ข่มขู่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฉะนั้นตาชูชกจึงได้นำเฒ่าวันมาผูกมือทั้งสองของ กุมาร아 กุมารี เล거 เขียนตีทุกขชาติใช้อำนาจให้เด็กทั้งสองกลัวนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทตอนนี้เองที่บรรดาท่านทั้งหลายหลายท่านด้วยกันโจมตีองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวสร้างความช่วยแก่บุคคลอื่นเพื่อความดีของตน <c oughs> นี่ความจริงถ้าเค้ารู้จักองค์สมเด็จพระทศพลเค้าก็คงไม่พูดแบบนั้นแต่ว่าเราจะขนมอะไรไปป้อนให้ควายกินและบรรดาท่านพุทธบริษัทควายที่จะมาชอบทองหยิบฝอยทองเนี่ยมันไม่มีรู้ไม่ได้หาขนมเค้กอย่างดีขนมอะไรก็ตามมาป้อนให้กินควายมันก็ไม่ชอบ ไคมันชอบญ่าข้อนี้มีอุปมาชั้นใดเมื่อคนที่โง่แกมหญิงมันก็เหมือนกันบรรดาท่านพุทธบริษัทชอบคิดแต่สิ่งที่ชั่วร้ายส่วนที่เป็นความดีที่เป็นเหตุแห่งความสบายใจเขาไม่ชอบคิดกันทีนี้ก็จะมากล่าวถึงอุปการของกิหนาราชาลี <c oughs> เรื่องนี้ไม่เคยมีพระธรรมพระพุทธเจ้าในการที่เรื่องเล่าของพระเล่าเรื่องของพระเวสสันดรเมื่อองค์สมเด็จพระชินวรทรงเล่าเรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วบรรดาพระสงฆ์ที่ได้กราบทูลองค์สมเด็จพระอธิบดีแก้วว่ากันหาราชาลีทั้งสองศีนี้คิดที่ว่าเป็นขัตติยราช <c oughs> เป็นบุรุษกษัตริย์เป็นคนมีจริยาดีแสดงความเคารพนอบน้อมอ่อนโยนกับตาชูชกโดยดีแต่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระชินสีห์พระองค์ทรงราชทานแล้วทําไมชูชกจึงได้ทําอย่างนั้นองค์สมเด็จพระพรรควันจึงได้มีพระพุทธิฎีกาตัดว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลาย <c oughs> เหตุที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็เพราะสายกรรมเก่าของกัณหาและชาลีเดิมทีกัณหาและชาลีเป็นลูกของชาวบ้านคือชาวนาธรรมดาตาชูชกตัวแก่เฒ่าชราคนนี้แกเป็นควายแก่เมื่อต้นข้าวขึ้นมาใหม่ๆบิดาและมารดาให้ 2 ศีนี้ไปเฝ้าต้นข้าว <c oughs> กันควายไม่ให้เข้ามากินแต่เด็กคุณนี้เผลอ 2 คนนี้เผลอมาไรเจ้าควายแก่ก็ย่องเข้ามากินเมื่อนั้นบรรดาท่านบิดาและมารดาก็ดูว่าเด็กทั้งสองนี้บ้างเคียนที่บ้างหาว่าละเลยในหน้าที่เมื่อจะไล่จะป่าสักเท่าไหร่ก็ตามทีเจ้าควายแก่ตัวนี้มันไปไม่ไกล <c oughs> ทำทีมันว่าหันหน้าหนีไปแล้วกินหญ้าอยู่พอชมตู่ทั้ง 2 กลุ่มมานเผื่อเมื่อไหร่มันก็ย่อมมากินเปิงข้าวอ่อนเมื่อนั้นเป็นเหตุให้ <c oughs> 2 กลุ่มมานมีความโกรธจึงได้พากันจับเอาควายตาเท่าควายเท่าตัวนี้ไปผูกไว้กับต้นไม้คือเชือกผูกที่สะไพแล้วก็ผูกติดกับต้นไม้ สองคนพี่น้องช่วยกันหาไม้เหลวหนามมาตีควายแก่ตัวนี้เสียจนน้ำจนฉ่ำน้ำใจเล็งว่าจนพอใจแล้วจึงปล่อยควายแก่นี้ไปนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเพราะกรรมในอดีตที่กันหาละชาลีตีควายแก่ <c oughs> กรรมนั้นมันมาสนองเธอทั้งสองเธอเจ้าควายแก่ตัวนั้นมันมาเกิดเป็นชูชกทีนี้เมื่อมอบหายหมายให้แก่ชูชกแล้วกรรมเก่ามันเข้าสนองใจทําให้ชูชกเห็นผิดคิดในใจว่าเราต้องปราบปรามให้เด็กคนนี้เข็ดเสียก่อนกลัวเราไม่เช่นนั้นแล้วถ้าอยู่กับเราก็จะทําตัวเป็นนาย เพราะอย่าถือตัวเป็นว่าว่าเป็นลูกเจ้าเจ้าใหญ่ในโตนี่และบรรดาท่านพุทธบริษัทความสงสัยของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายในเรื่องนี้ก็คงจะหมดไปหรือไม่หมดก็ตามใจเพราะบุคคลที่สอนได้นั้นก็มีอยู่ 3 ขั้นได้กันคืออุปกติตัญญูมีปัญญาดีมาก แนะนำแต่เพียง 6 ข้อก็มีความเข้าใจคนประเภทที่ 2 รองลุมาลนั่นใช้ก็คือวิปปติกัญญูคนประเภทนี้องค์สมเด็จพระบรมครูบอกว่าแนะนํา 6 ข้อเขาไม่เข้าใจจะต้องอธิบายนิดหน่อยจึงจะเข้าใจคนประเภทที่ 3 เรียกว่าเนยยะ คนประเภทนี้จะสั่งสอนเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะเป็นพระอริยะเจ้าได้แต่ก็มีความดีเข้าถึงไตรสรณคมมีศีล 5 บริสุทธิ์ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีจัดเป็นกนิญญานชนสมกับคนดีหรือว่าคนงามแต่คนประเภทที่ 4 คือปทะปรมะท่านแปลว่ามีบทบาทอย่างยิ่ง บุคคลประเภทนี้จะเป็นชายจะเป็นหญิงจะศึกษาวิชาการสูงขนาดไหนก็ตามก็มีความโง่เป็นปกติเรื่องความดีเรื่องบุญเรื่องกุศลทำตนแล้วบุคคลอื่นให้มีความสุขบุคคลประเภทนี้ไม่เคยคิดแล้วก็เป็นคนไร้เหตุไร้ผลไม่ยอมรับรับผลของบุคคลผู้ใดเหตุผลจะเป็นรายการใดฉันไม่ฟัง ท่านต้องการอย่างเดียวคือคัดค้านให้มันพินาศไปแม้แต่ประเทศชาติของตนที่กําลังเป็นไทยไม่ใช่ธาตุบุคคลประเภทนี้ก็กําลังพยายามทําลายชาติให้วินาศโดยการขายชาติให้แก่ศัตรูความจริงตัวเองของเขาเองเขาไม่รู้หรอกบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> ว่าการขายชาติของเขามันจะมีผลร้ายสักเพียงใดญาติพี่น้องของเขาทั้งหลายที่เกิดอยู่ในประเทศไทยก็จะพากันลําบากตัวเขาเองที่ถูกป้อยอบอกว่าถ้ายึดประเทศชาติอื่นเค้าก็ที่จ้างเข้ามายึดประเทศไทยได้มาไรเค้าจะให้เป็นใหญ่ แล้วก็ใครที่ไหนเล่าท่านบรรดาพุทธบริษัตรทั้งหลายเขาจะให้คนจ้างอะไรประเภทนี้ปกครองประเทศแม้แต่บ้านพ่อบ้านแม่บ้านปู่ย่าตายายของเขาเค้ายังทรยศได้แล้วเจ้านายผู้จ้างเค้าเป็นอะไรที่เค้าจะไว้วางใจเรื่องการไว้วางใจย่อมไม่มีในที่สุดคนอัปรีพวกนี้ก็จะต้องตายโหงไปตามๆกัน <c oughs> นี่เราพูดกันถึงกรรมนะกรรมของการหาชาลีเป็นเช่นใดคนที่สร้างกรรมชั่วไว้ผลกรรมก็จะต้องรับเหมือนกันที่นําผลกรรมมากล่าวกล่าวกับบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านก็ให้มีความเข้าใจในกฎของกรรมที่เป็นความดีหรือความชั่วขอท่านเหล่าจงระมัดระวังตัวจงอย่าคิดว่ากรรมชั่วนิดหน่อยมันจะไม่ผล <c oughs> ตามที่องค์สมเด็จพระทศพลกล่าวถึงกฎของกรรมของกัญหาและชาลีความจริงถ้าจะคิดกันไปดูอีกทีเจ้าควายตัวนี้มันมันลักข้าวเข้ากินการลงโทษประเภทนั้นควรจะมีผลสนองกันกล่าวคือหายกันไปแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นมันไม่หายดิมันติดตามมาเร่งกันหาชาลีเข้าในชาติสุดท้าย <c oughs> อานิองค์สมเด็จพระอาจารย์ไตรบรมศาสนาเป็นพระเวสสันดรหน่อพระบรมพงศ์โพธิสัตว์แล้วขอบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้ฟังแล้วจําไว้ให้ดีด้วยจงอย่าคิดว่ายุ่งตัวเล็กๆมันเป็นเด็กฆ่าแล้วไม่บาปที่เขากล่าวท่านบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาฆ่ากิ่งกัน แล้วกรรมทั้งหลายเหล่านี้นั้นมันก็ไม่หาให้อภัยกับบุคคลผู้ฆ่าเหมือนกันต่อไปในชาติเบื้องหน้าถ้าเกิดใหม่ก็ต้องฆ่ากันไปฆ่ากันมาฝ่ายทั้งฆ่าอยู่แบบนั้นเช่นเจ๊กกับหมูเจ๊กกับไก่เป็นต้นนี่ละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนแลดูในการต่อไปเรื่องนี้เป็นเรื่องของเทวดาการที่โชชกจะรู้ <c oughs> ว่ากันหาชาลีอยู่ที่ไหนก็เป็นเรื่องของเทวดาช่วยพี่นางพุทธขอโทษนางอะไรล่ะที่เป็นเมียคุณชูชกอมิตตดาอยู่ๆเธอก็โกรธชูชกขึ้นมาหาว่าจะว่าด่าเธอเธอปฏิบัติความดีกับชูชกมาก ดีเกินหน้าไปเป็นเหตุให้บรรดาสาวสังคมนั้นคือหญิงเจ้าบ้านแถวนั้นถูกผัวไปต่อว่าว่านามิตันดาเค้ามีผัวแก่เค้ายังมีความดีสร้างความดีให้แต่สามีมีความสุขส่วนตนเองเป็นสามีปัญญาอายุไล่เลี่ยกันแต่ไม่ปฏิบัติตามนั้น ถ้าไม่มีความทุกข์แม่มดาหญิงท่านหลายเหล่านั้นพากันได้รับการกระทบกระเทือนถูกด่าว่าจากสามีนี่จึงได้มาโกรธนางมิตตดานี่เป็นนิสัยผ่านมด่ามาว่ามาพูดไปชดไปฉันอย่าจะให้นางมิตตดานี่นั้นไปทิ้งจากที่นั้นตัวจะได้มีความสุขสามีจะได้มีว่าไม่ด่าไม่ทุกข์ไม่ตี เล่านางมิตตันดาเมื่อถูกหญิงท่านหลายเหล่านั้นว่าไปชดประชันใจก็นึกขึ้นมาว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระทันตเวสสันดรหน่อพระบรมภูมโพธิสัตว์อ้อสุภิเนศกุมจะต้องให้บุตรละปัญญาเป็นทานความจริงนางไม่รู้เรื่องเพราะบ้านเมืองสมัยนั้นไม่มีวิทยุไม่มีหนังสือพิมพ์ และที่นาวนรู้ขึ้นมาได้ก็พับทฆวัด breasts MU happens in mind. ให้พูดไปแบบนั่นให้ชูชกไปขอสองกุ้ปมานมาน super Спасибоισ ให้ชูชกไปขอสองกุ้มมาลมั้นนี่เป็นเรื่องของ เสเวินวานเทวvert cũng who known to be allowed. นี่เป็นเรื่องของ die smarter so there is the musimy 속ye kinda. เมื่อกันหายทาลีทั้ง 2 สีนี่ใช้ถูกเอ่อทูชกทรมานไประหว่างทางก็ปรากฏว่าเทวดาได้ก็เข้ามายุ่งอีกเอไม้กว่ามาเทวดามาเวลากลางคืนก็แปลงเป็นพระเวสสันดรองค์หนึ่งแปลงเป็นพระนางมัทรีองค์หนึ่งมาให้ <c oughs> <c oughs> 2 คู่มานอนบนตัก ปฐมพยายามบานจนหลับไปพอตื่นขึ้นเช้าทั้ง 2 เทวดาก็หายไปชูชกลากไปคราวนี้เทวดาผู้เป็นเจ้ากี้เจ้าการก็เลยคลายชูชกหลงทางไปหาพระเจ้าปู่เมื่อไปหาพระเจ้าปู่ใกล้ๆพระเจ้าปู่เห็นเข้าพระเจ้าปู่จึงได้ให้อมมาตย์ทั้งหลายไปตามเข้ามาเพราะจําได้ว่าเป็นหลาน ว่าไอ้ใครหนอมันรักแหลงของเรามานี่ไปจับมันเข้ามาเมื่อพระเจ้าปู่ได้เห็นพระเจ้าหลานแล้วจึงได้เรียกสายหลานเจ้าทั้งสองให้ขึ้นมานั่งบนตักตอนนี้เทวดาก็สร้างความเมตตาขึ้นมาอีกเออก่อนที่พระเวสสันดรจะไปก็เทวดาดลใจให้ถูกไล่ <c oughs> นี่ตอนนี้เทวดาก็ดลใจให้บรรดาพระเจ้าปู่พระเจ้าย่าคือพระเจ้ากุงสนชัยกับพระนางพุทธิดีคิดถึงพระเวชสันดรบรรดาประสกนิกรทั้งหลายที่เคยโกรธก็ไม่โกรธที่เจ้าบ้านเค้าโกรธก็เทวดาแกล้งดลใจให้โกรธนี่มันเรื่องของเทวดาปรารถนาจะให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าให้ได้ให้บำเพ็ญเป็นบำเพ็ญบารมีให้เต็ม <c oughs> เมื่อเด็กทั้งสองพบพระเจ้าปู่พระเจ้าย่าแล้วจึงได้บอกว่าพ่อตีราคามาถ้ายังไม่ชำระหนี้ก็ยังไม่เป็นไทยยังเป็นทาสของชูชกอยู่สมเด็จพระเจ้าปู่จึงได้มีพระมหากรุณาธิคุณอนุญาตให้นําเงินนําทองมาถ่ายหลานแล้วก็เลี้ยงดูชายชกชูชกจนอิ่มหนําสําราญ เมื่อแกกินมากเข้าไปธาตุย่อยไม่ไหวก็เป็นก็ทานมานานไม่เคยกินของดีๆในที่สุดตาชูโชคนี้แกก็ตายเพราะธาตุไม่ย่อยพระเจ้ากรุงศรชัยจึงบอกให้คนทั้งหลายประกาศหาญาติของตาชูโชคก็หาญาติไม่ได้เป็นอันว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่ยกให้ชูโชคก็ตกเป็นของหลวงไป แล้วยังถาม 2 <c oughs> ประมาณว่าบิดามารดามีความสุขหรือไม่ด้วยการใดเด็กทั้งสองก็บอกว่าบิดามารดามีความทุกข์มากลําบากด้วยความไม่อยู่และการบริโภคฉะนั้นพระเจ้ากรุงศลชัยบรมกษัตริย์สัมภาษณ์ท้าวเธอจึงสั่งจาตุรงค์เสด็จหน้ายกกองทัพไปรับพระเวสสันดรกลับเข้าเมืองเรื่องมันแค่นี้แหละมนดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> อีกคนก็โจมตีเพราะว่าเส้นดอนจะเห็นก็เข้าได้เลยจึงพากันรับทราบกฎของกรรมว่ากรรมเล็กน้อยมันย่อมให้ผลใหญ่เอาล่ะบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วก็ขอยุติวาจาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีครับ <c oughs>